พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่12พระสูตรที่45จุลธรรมะสมาทานนสูตรสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับณเชตวนารามตรัสสอนภิกษุทั้งหลายถึงการสมาทานธรรมะคือรับธรรมะมาประพฤติปฏิบัติสประการคือหนึ่งการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบัน มีทุกเป็นวิบากหรือผลต่อไป 2. การสมทานธรรมะที่มีทุกในปัจจุบันมีทุกเป็นวิบากต่อไป 3. การสมทานธรรมะที่มีทุกในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากรต่อไป 4. การสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไป ตรัสขยายความการสมทานธรรมะทั้งสี่ข้อนั้นดังนี้ข้อหนึ่งการสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปคือสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะมีความเห็นว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีจึงเดิมดำในกามทั้งหลายเมื่อตายไปก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาศนารกได้รับทุกขเวทนา ข้อ 2. การสมทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปคือสมณะพราหมณ์บางพวกที่ประพฤติรดทรมานกายต่างๆเช่นเปลื่อยกายเป็นต้นจนถึงลงอาบน้ำวันละสามครั้งมีเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามเมื่อตายไปก็เข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนรกข้อที่สาม การสม Regard ane, ทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไปคือบุคคลบางคนเป็นคนมีราคะกล้าเสวยทุกขโทมานต์อันเกิดแต่ราคะหนึ่งเหนืองเป็นคนมีโทสะกล้าเสวทุกขโทมานต์อันเกิดแต่โทสะหนึ่งเนืองเป็นคนมีโมหะกล้าเสวยทุกขโทมานต์อันเกิดแต่โมหะหนึ่งเนือง ผู้นั้นอันความทุกขโทมนัตถูกต้องมีน้ำตานองหน้าร้องไห้ประพฤติรมจันเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้อที่สี่การสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไปคือบุคคลบางคนไม่เป็นคนมีราคะโทสะโมหะกล้า ไม่ได้เสวยทุกโทมนต์อันเกิดแต่ราคะโทสะโมหะเนื่งเนืองสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เมื่อตายไปก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์